วันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดเป็นวันสำคัญของชาวไทยเราเรียกว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่เรามาลํำลึกถึงพ่อของประเทศของพวกเรา คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่๙ที่ได้เสด็จสวรรคตจากพวกเราไปแล้วแต่พระคุณของท่านที่มีต่อพวงชนชาวไทยยังประทับอยู่ยังเป็นที่ประทับอยู่ในใจเป็นที่ประทับใจของพวกเราทุกคนเรามีความรักในหลวงแล้วก็ อยากที่จะบูชาพระคุณของท่านด้วยการมาบำเพ็ญมากระทาประโยชน์ทำความดีในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแก่พระองค์นี่คือความกตัญญูกตเวที ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเราประพฤติปฏธธิบัติกันเพราะเป็นรากฐานของคนดีนั่นเองการที่เราจะเป็นคนดีได้เราจำเป็นที่จะต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีคือรู้บุญคุณ ของผู้มีพระคุณและทดแทนบุญคุณเมื่อเรามีโอกาสบุคคลที่มีความสำคัญกับเราโดยตรงก็คือบิดามารดาของพวกเราผู้ให้กำเนิดพวกเรามาพวกเรานี้จะเกิดมาไม่ได้ ถ้าไม่มีบิดามารดาเป็นผู้สร้างร่างกายนี้ให้แก่พวกเราแล้วหลังจากที่คลอดออกมาก็คอยเลี้ยงดูเราคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมให้เราเจริญเติบโตไปในทางที่ดี ทำให้เรามีชีวิตที่มีแต่ความสุขพระคุณของบิดามารดาจึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อลูกๆทุกคนที่ลูกๆทุกคนควรที่จะสำนึกลำลึกถึงอยู่เสมอเพราะถ้าเราไม่ลำลึกถึงบ่อยๆเราอาจจะลืมได้ เนื่องจากการดำรงชีวิตของพวกเราจำเป็นที่จะต้องมีการกระทำการงานต่างๆจะทำให้เราบางครั้งลืมถึงพ่อถึงแม่ได้โบราณท่านจึงสอนให้เราระลึกถึงพ่อแม่ทุกวันก่อนนอนหรือหลังจากตื่นเช้าขึ้นมา ไห้กราบพระแล้วก็กราบพ่อกราบแม่คําว่ากราบนี่หมายเไม่ได้หมายคำว่าต้องไปกราบที่ที่หน้าท่านแต่กราบที่เราที่นอนของเรานี่แหละแต่ให้เราล้ำลึกถึงพระคุณของท่านว่าเราอยู่มาได้ถึงในวันนี้ได้ก็เพราะพ่ อ, พอแม่ของเราที่เอง ตอนนี้พ่อแม่ของเราเป็นอย่างไรบ้างท่านสบายดีหรือไม่ท่านอยู่ที่ไหนท่านต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราลำลึกถึงทาอย่างน้อยทําวันละสองครั้งก่อนนอนนะหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วเมื่อเราลำลึกถึงเราก็จะได้ ติดต่อสอบถามดูถามสารละทุกสุขดิบได้ยิ่งสมัยนี้เรามีการสื่อสารติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ววันวันหนึ่งก็ควรที่จ ะ, ะติดต่อกันถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันก็กติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ทางสื่อต่างๆถามสารละทุกสุขดิบ แล้วถ้ามีเวลาว่างมีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมเยียนมีอะไรก็เอาไปฝากกันถ้าจำเป็นที่จะต้องทํานุบบำรุงเลี้ยงดูท่านก็ทําไปด้วยการส่งเงินส่งทองไปคือเราไม่ควรที่จะลืมบุคคลทั้งที่สำคัญทั้งสองคนนี้ควรที่จะให้สำคัญ มากกว่าบุคคลอื่นเสียด้วยซ้ำไปแต่บางทีเรากลับไปให้ความสำคัญกับคนอื่นเช่นคนที่เป็นคู่ครองของเราคนที่เป็นลูกเราเพราะเราอยู่ใกล้ชิดกับเขามากกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับคู่ครองเรามีลูกมีเต้าเราก็มัวแต่คอยดูแลเลี้ยงดูครอบครัวของเรา เราก็อาจจะลืมบุคคลที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราไปก็ได้เราถึงควรที่จะล้ำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เรื่อยๆด้วยการกราบไหว้เพื่อทุกครั้งที่กราบก็ให้ล้ำลึกถึงพระคุณของท่านว่าท่านเป็นผู้ให้กำเนิดกับเรา การเป็นผู้เลี้ยงดูเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเลี้ยงดูทางวิชาความส่งเสริมทางวิชาความรู้ส่งเสริมทางศิลธรรมจัญญาบรนให้มีความประพฤติดีให้เป็นคนดีเพราะการเป็นคนดีนี้เป็นเหตุที่นำมาซึ่งความสุข และความเจริญของชีวิตจิตใจของพวกเรานั่นเองนี่คือเรื่องของความกระตันยูกตเวทีคนเราจะดีได้ไม่ดีเราสังเกตได้ที่ความกระตันยูถ้าคนไม่มีความกระตันยูนี้มักจะไม่เป็นคนที่ดีคนดีนี้จะเป็นคนที่มีความกระตันยู กับบุคคลที่มีพระคุณนอกจากบิดามารดาแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นที่มีพระคุณกับเราเช่นพระเจ้าอยู่หัวผู้ปกครองประเทศท่านก็มีพระคุณกับเราครูบาอาจารย์ที่เราศึกษา เ, าเรียนให้วิชาความรู้กับเราท่านก็เป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเรา หรือบุคคลใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือกับเราในยามที่เร า, เ, าเดือดร้อนบุคคลเหล่านี้เราไม่ควรลืมพระคุณของเขาถ้าเรามีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณได้ก็ควรที่จะทำทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขทำแล้วจะทำให้คนอื่น รู้ว่าเราเป็นคนดีคนที่ไม่ลริมบุญคุณของผู้อื่นนั่นเองการทดแทนบุญคุณก็ทดแทนด้วยการปรรมเป็นหลักเรียกว่าปฏิบัติบูบชาการบูชานี้ก็มีสองลักษณะด้วยกันคือบูชาด้วยข้าวของสิ่งของ เช่นดอกไม้ทูบเทียนอันนี้เราเรียกว่าอาิสบูชาการบูชาอีกอย่างเรียกว่าปฏิบัติบูชาคือการกระทำความดีในรูปแบบต่างๆทดแทนบุญคุณต่อ บ, บุคคลที่เป็นพระคุณเช่นบิดามารดาเราก็ต้องดูแลท่าน เพราะว่าต่อไปร่างกายของท่านก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆท่านก็จะไม่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะต้องมาช่วยดูแลกันอย่าให้เป็นแบบที่มีการพูดกล่าวว่าพ่อแม่สองคนเลี้ยงลูกสิบคนได้ แต่ลูกสิบคนเรี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้เพราะมัวแต่เกี่ยงกันคนนั้นก็เกี่ยงคนนี้ก็เกี่ยงว่าคนนั้นไม่ทำตนเองไม่ว่างมีโทระมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้อันนี้เป็นการเป็นการแก้ตัวไปเท่านั้นเองเป็นการไม่ยอมทำสิ่งที่ควรจะทำคือทดแทนบุญคุณ คนจะดีใจคนจะรีบแย่งกันทำการได้ทดแทนบูชาบุญคุณของพ่อแม่นี่เท่ากับการได้บูชาทำบุญกับพระ อ, อรหรันต์เพราะพ่อแม่นี้มีเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างมากพระ อ, อรหรนันต์นี้ท่านก็มีพระคุณกับเราอีกทางหนึ่งือทางด้านจิตใจ พ่อแม่นี้มีพระคุณในทางด้านร่างกายพ่อแม่ให้ร่างกายกับเราเลี้ยงดูร่างกายเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นี้ท่านจะเลี้ยงดูจิตใจของเราท่านมีพระคุณทางด้านจิตใจจิตใจของเราจะดีได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มาเป็นผู้เลี้ยงดู เป็นผู้อบรมสั่งสอนเพราะพ่อแม่ไม่มีความรู้ทางด้านจิตใจรู้แต่ทางด้านร่างกายรู้วิธีเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลรักษาตนเองได้แต่พระพุทธเจ้าพระอราหารนันต์นี้ท่านก็เป็นเหมือนพ่ อ, พอแม่ของพวกเราทางด้านจิตใจ จิตใจของพวกเราจะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้จำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้สั่งสอนถ้าเราปฏิบัติบูชาคือประพฤติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารหันตสาวกเราก็จะได้สร้างจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ สูงขึ้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นผู้ที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เรื่องทางจิตใจนี้เรามีพระพุทธเจ้าเปเพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นบิดามารดาของพวกเราส่วนทางร่างกายเรามีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทางร่างกาย ท่านทั้งสองทั้งทั้งสองส่วนทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจก็มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะไม่สามารถที่จะเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาหนทตสาคกได้สิ่งแรกที่เราต้องมีก่อน คือต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่จะให้กำเนิดเราเป็นมนุษย์ก็คือพ่อแม่ของเราท้านจึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับสำหรับชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะในเบื้องต้นเราต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วเราก็จะได้ไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ของพออระอรหันตสาวกได้เมื่อเราได้ศึกษาและเราได้ปฏิบัติตามคําสั่งคำสอนเราก็จะได้กาเนิดเป็นพระ อ, อริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระ อ, อนาคามีเป็นพออระอรหันการการเป็นพระ อ, อริยบุคคลนี้หมายถึงว่าจิตใจของพวกเรา จะได้ลดการเวียนว่ายตายเกิดลงจากจํานวนที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาเหลือเป็นเพียงเจ็ดชาติสำหรับพระโสดาบันหนึ่งชาติสำหรับพระสกิดาคามีส่วนพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไปเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปพอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะอยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้เกิดจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้า เช่นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนให้พวกเราได้กําเนิดเป็นพระอริยบุคคลทําให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือบุคคลที่มีความสําคัญต่อ ชีวิตของพวกเราพ่อแม่ทางร่างกายก็มีความสำคัญที่ให้กําเนิดให้เรามีร่างกายแต่ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกเราก็จะไม่ได้กําเนิดเป็นพระอริยบุคคลเราก็จะได้ประโยชน์เพียงแต่การได้มาเกิดในเป็นมนุษย์และก็ได้ประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้น ที่มนุษย์จะทำได้ก็คือเป็นคนดีอยู่ไปมีความสุขแล้วก็ถ้าตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ต่อไปแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องของการไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำกันไว้ในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่เรื่องของการตายแล้วไม่สู์ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็อาจจะคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็สูนย์แต่ไม่สูนย์ บุญกับบาปที่เราทําไว้ไม่ศูนย์การเวียนว่ายตายเกิดไม่ศูนย์เพราะว่าผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายชีวิตของเรามีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายและมีผู้ที่ใช้ร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรนี้ เป็นอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายคิดไม่เป็นไม่มีความคิดสั่งตัวเองให้ทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้มีผู้สั่งมาสั่งผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้เราเรียกว่าจิตใจนี้เองเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นผู้ที่ สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆและเมื่อสั่งแล้วแลวทำแล้วก็จะเป็นผู้รับผลของการกระทำที่ผู้สั่งได้สั่งให้ทำร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลผู้ที่รับผลคือผู้สั่งคือใจผลก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เองที่เกิดขึ้นภายในใจ ในขณะที่ได้ทําบุญหรือได้ทําบาปถ้าได้ทําบุญใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าทําบาปใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและจะเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่ออีกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปใจที่มา กาติดอยู่กับร่างกายก็จะแยกทางกันไปร่างกายก็ไปสู่สภาพเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟนี่คือที่ไปของร่างกายของพวกเราทุกคนตายแล้วต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเพราะร่างกายของพวกเราทำมาจากดินน้ำลมไฟนั่นเองอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ก็ทำมาจากดินทำมาจากน้ำเพราะเรากินข้าวข้าวก็ต้องมีดินมีน้ำถึงจะงอกงามได้ต้องมีไฟมีความร้อนพอพอควรมีอากาศคือลมทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นด้วยการรวมตัวของธาตุทั้งสีน่นี้ต้นไม้ใบหญ้าก็ทำมาจาก ดินน้ำลมไฟถ้ามีแต่ดินไม่มีน้ำก็จะไม่มีต้นไม้เช่นไปอยู่ตามทะเลทรายมีแต่ดินแต่ไม่มีน้ำฝนไม่ตกทะเลทรายก็เลยไม่มีต้นไม้ขึ้นมาต้องไปอยู่ที่มีดินมีน้ำแล้วก็มีอากาศความร้อนพอสมควรไม่ร้อนเกินไปไม่ ไม่เย็นเกินไปแล้วก็มีลมหายใจมีอากาศหายใจถึงจะปรากฏมีพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆได้แล้วก็จะมีสัตว์มากินพวกใบใบไม้ใบหญ้าแล้วก็คนก็มากินเนื้อสัตว์อีกที่หนึ่งก็เอามาจากดินน้ำลมไฟทางนั้น พอเราเอาเข้ามาสู่ร่างกายเราก็เอามาผลิตเป็นอาการต่างๆของร่างกายมาผลิตผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่คืออาการต่างๆที่ได้รับการผลิต ด้วยการเอาธาตุทั้งสี่เข้ามาในร่างกายอาหารที่เรารับประทานนี้ก็มีทั้งธาตุน้ํามีทั้งธาตุดินมีทั้งธาตุไฟความร้อนของอาหารเวลาเราหุงต้มอาหารก็เป็นความร้อนแล้วก็มีธาตุลมคือก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ธาตุน้ําที่เราดื่มกันอย่างต่อเนื่องดื่มน้ําชนิดต่างๆนี่เป็นการ เ, าเติมธาตุทั้งสี่ให้กับร่างกายตามเดินน้ําลมไฟให้กับร่างกายร่างกายจึงจเจริญเติบโตขึ้นมาได้เวลาออกจากท้องแม่มาก็ต้องมีการกินนมกินน้ํากินอาหารอะไรต่างๆ ร่างกายก็เลยจเจริญเติบโตขึ้นมานี่คือร่างกายที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ไม่มีตัวตนคือไม่มีไม่มีเจ้าของไม่มีตัวที่ไปว่านี่เป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของดินน้ำลมไฟแต่พวกเรานี่แหละที่มาเกาะติดกับร่างกาย พวกเรานี่แหละคือใจผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็มาหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็เลยไปมีความรักมีความ ผ, กผูกพันกับร่างกายแล้วเราก็พยายามทำอะไรต่างๆเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายของเราบางทีเราถึงกับยอมทำบาป เพื่อที่เราจะได้รักษาร่างกายให้อยู่รอดได้แต่การทำบาปของเรานี้เราไม่รู้ว่ามันมีผลต่อเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วเวลาที่เราแยกออกจากร่างกายร่างกายกลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟแต่ใจคือพวกเรานี่ จะอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับนี้จะอยู่เป็นตอนเป็นเหมือนคนที่ไม่มีร่างกายเวลาเรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราปล่อยให้ร่างกายพักผ่อนแต่เรานี่ยังไปไหนต่อกันอยู่เราไปโดยความฝันเราฝันถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องที่ดีบ้างเรื่องที่ไม่ดีบ้าง เรื่องที่ดีก็เกิดจากการกระทำความดีต่างๆทำบุญเรื่องที่ไม่ดีก็เกิดจากการทำไม่ดีทำบาปต่างๆนี่เองราจึงมีทั้งฝันดีทั้งฝันร้ายขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราตื่นเราทำอะไรกันไว้บ้างถ้าทำบุญไว้บ้ากกว่าทาบาปเราก็มักจะฝันดีมากกว่าฝันร้าย ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาหันับเราก็จะฝันร้ายมากกว่าฝันดีและสภาพนี้แหละที่เป็นสภาพที่เราจะอยู่กันตอนที่เราไม่มีร่างกายตอนที่ร่างกายแยกออกจากเราไปแล้วเรายังอยู่ต่ออยู่ในสภาพเหมือนกําลังอยู่ในโลกของความฝันฝันทั้งเรื่องราวต่างๆ ที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เราตื่นถ้าเราทำความดีไว้เราก็จะฝันแต่เรื่องดีๆถ้าเราทำบาปทำความไม่ดีไว้เราก็จะฝันแต่เรื่องไม่ดีออการฝันดีนี่เราจะเรียกว่าเป็นสวรรค์ผู้ที่ฝันดีเราเรียกว่าเป็นเทวดาใจของเรานี่แหละเป็นเทวดาถ้าเราทำบุญ เราจะอยู่ในสวรรค์คือเราจะฝันอยู่กับเหตุการณ์ที่ดีที่มีแต่ความสุขส่วนถ้าเราทำบาปนี้ใจของเราก็จะฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มีแต่ความทุกข์เหตุการณ์ที่มีแต่ความวุ่นวายถ้าฝันด้วยความหิวโหวยดวงวิญญาณ น, นี้แล้วก็เละก็เปรด ถ้าฝันเพราะความกลัวต่างๆความหวาดเสียวหวาดกลัวต่างๆก็เรียกว่าเอสุลกายถ้าฝันด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมฆ่าฟันกันล้างแค้นกันอันนี้ก็จะเป็นนรกนี่คือสภาพของจิตใจของพวกเราทุกคนที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เป็นเรื่องที่พวกเรานี้จะไม่มีวันรู้กันได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าตายแล้วไม่สูญทาบุญแล้วมีผลตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้ว ทำบาปก็เช่นเดียวกันมีผลต่อจิตใจของพวกเราในทางลบในทางที่ไม่ดีทำบุญก็มีผลในทางที่ดีทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาตื่นก็มีความสุขเวลาทำความดีเวลานอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายในทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปเวลาตื่นก็จะทุกข์ เวลานอนหลับก็จะฝันร้ายแล้วเวลาตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกของความฝันฝันดีหรือฝันร้ายถ้าเป็นอานาจของบุญก็จะฝันดีถ้าเป็นอำนาจของบาปก็จะฝันร้ายจนกว่าอำนาจของบุญหรือบาปนี้อ่อนกำลังลงหรือหมดกำลังลงก็จะ ให้เราได้มามีร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดใหม่หรือถ้ายังมีอำนาจของบาปหลงเหลืออยู่ก็อาจจะให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนไปได้ร่างกายของเดรัจฉานการที่มีร่างกายของเดรัจฉานก็เพราะเกิดจากการทำบาปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นการดำรงชีพของเราบางทีเราคิดว่าเราจะต้อง ดูแลร่างกายของเราเราอาจจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นยิงนกตกปลาเป็นอาหารเป็นต้นหรือมีอาชีพฆ่าสัตว์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งให้เจตของเรานี้ไปมีร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแล้วจนกว่าบาปที่เราทำนี้มันหมดกาลังที่ส่งเราไปเราก็จะมาได้ร่างกายของมนุษย์ และเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีความแตกต่างกันมนุษย์ที่กลับมาจากการทำบุญนี้จะเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอวัยวะที่ครบถ้วนบริบูรณ์มีฐานะการเงินการทองที่ดีมีสติปัญญาความรู้ความฉลา ส่วนพวกที่กลับมาจากการกระทำบาปไปใช้บาปกลับมาพวกนี้ก็จะอยู่ในสภาพที่อาภัพวาสนาเกิดมายากจนเกิดมามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งามมีอาการไม่ครบสามสบสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้นอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำบาป หลังจากที่ไปรับผลบาปเสร็จแล้วแล้วพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาเนมนุษย์ของพวกเราพวกเราที่มาเกิดกันจึงมีฐานะไม่เหมือนกันก็เพราะบุญและบาปที่เราทำมาในอดีตไม่เท่ากันนั่นเองเราจึงมีฐานะที่แตกต่างกันไปนี่คือเรื่องของ จิตใจของพวกเราที่รับผลของการทำบุญน่าทำบาปเราจึงได้ถูกเราจึงได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าเราได้มาเกิดในครอบครัวที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเขาก็จะสั่งสอนให้พวกเราทำบุญกันอย่าทำบาปกันเพราะว่าจะทำให้เรา ต้องไปรับผลต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันถ้าเราทำบาปถ้าเราไม่ทำบุญแล้วนอกจากการที่เราต้องกลับมาเกิดแล้วสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือว่าอะไรจึงทำให้เรายังต้องกลับมาเกิดกันหลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปแล้ว ทำไมเราไม่เกิดไม่ได้เลอ <ure. S 1> การที่จะทำให้เราไม่เกิดเราก็ต้องไปหยุดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเพราะในใจเรานี้มีเหตุที่คอยดึงให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเหตุ<ร>นี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละเป็นผู้ค้นพบสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆ กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บกันมาตายกันอยู่เรื่อยๆมาทำบุญมาทำบาปกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปกันอยู่เรื่อยๆเสร็จจากการรับผลบุญผลบาปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่ท่านเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวั ต, ตะสงสารวั ต, ตะสงสารก็คือสภาพของจิตใจที่ขึ้นๆลงๆไปตามอำนาจของบุญของบาป ถ้าบุญพาไปก็จะไปสู่ภพที่ดีที่มีความสุขถ้าบาปพาไปก็พาไปสู่ภพที่ไม่ดีมีแต่ความทุกข์ภพต่างๆเหล่านี้ก็มีชื่อต่างๆกันไปเราเรียกพุภพเหล่านี้ว่าไตรภพบแบ่งเป็นสามสามสามส่วนด้วยกันภพที่หนึ่งเรียกว่าการมาภพการมาภพก็คือภพของดวงจิตดวงใจ ที่ยังเสพกามกันอยู่คาว่ากามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพุถธพะผู้ที่ยังมีความอยากเสพกามก็จะมาเกิดในกามะภพในกามะภพนี่ก็แบ่งไว้สองซีกด้วยกันซีกที่มีความสุขกับซีกที่มีความทุกข์ผู้ที่เสพกามด้วยการแต่ไม่พวกที่ทาบุญแต่ยังเสพกามอยู่ก็จะมาเกิดในซีกที่ดีคือ ในซีกที่มีแต่ความสุขเรียกว่าพวกเทวดาทั้งหลายขณะที่เป็นมนุษย์ก็หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระแต่ก็ไม่ลืมมีโอกาสก็ทาบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้พวกนี้ก็จะได้เป็นเทวดาอีกพวกหนึ่งมาเสพเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อมาเสพกามแต่ในระหว่างการเสพกามก็อาจจะไปทําบาป เงินทองอาจจะไม่พอใช้ก็เลยต้องไปลักไปขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงไปเบียดเบียนผู้อื่นไปป้นไปจี้ไปฆ่าตรงนี้ก็จะไปอยู่ในซีกที่ไม่ดีซีกไม่ดีเราเรียกว่าอบายซีกที่ดีเราเรียกว่าสวรรค์สวรรค์ก็ก็คือเป็นเทวดาชั้นต่าง จะเป็นเทวดาชั้นสูงชั้นต่ำก็อยู่ที่บุญที่ทำมากทำน้อยบุญก็คือความสุขมากสุขน้อยทำมากก็จะมีความสุขมากสุขมากก็เป็นเทวดาชั้นสูงสุขน้อยก็เป็นเทวดาชั้นต่ำแต่ก็ยังมีความสุขมากกว่ามนุษย์แต่มนุษย์นี่มีความสุขมากกว่าพวกที่ไปอบายพวกที่อไปอบายนี้ไม่มีความสุขเลย มีแต่ความทุกข์เกยนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปอยู่ในนรกนี่อันนี้เป็นการเกิดจากการทําบาปนี่คือกามาพบมีแบ่งเป็นสองซีกกามาพบนี่เป็นหนึ่งในพบของที่พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกสองพบเราเรียกว่ารูปพบกับอรูปพบ ผู้ที่จะไปรูปภพนี้ไปอย่างไรผู้ที่จะไปรูปภพนี้เป็นพวกที่ไม่เสพกามกันเช่นพวกนักบวชทั้งหลายเขาไม่เสพกามกันเขาถือศีลแปดขึ้นไปการถือศีลแปดก็เป็นการระ ง, งับการเสพกามนั่นเองเช่นศีลข้อสามก็ไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดก็ไม่ทํากิจกรรม ทางตาหูจมูกนิ้นกายหยุดกินอาหารก็กินแบบกินยาไม่ได้กินเพื่อความสุขไม่ได้กินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารไม่ไม่ดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่หลับนอนมากจนเกินไปอันนี้เป็นการ หยุดการเสพกามแล้วก็มาเสพความสุขอีกแบบหนึง่งคือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบคือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็อาศัยสติเป็นผู้ทำให้จิตสงบถ้านั่งเฉยๆไม่จะมีสติคอยกากับใจใจจะไม่มีวันสงบ ใจก็จะผลิตอะไรแปลกๆให้เราได้เห็นในขณะที่เรานั่งแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปหลงคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นสวรรค์เป็นพรหมเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้นั่งไม่ถูกนั่งไม่เป็นนั่งแล้วก็ปล่อยให้จิตผลิตมายาต่างๆของลวงของหลอกมาหลอกใจหลอกผู้นั่งการจ้างนั่งที่ถูกต้องนั่งให้ใจสงบ การจะนั่งให้ใจสงบต้องมีสติคอยกำกับคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จะให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับคาบิกรรมพุทโธพุทโธถ้ายังไม่สามารถบังคับให้อยู่กับพุทโธได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปหลายๆายรอบหลายๆยจบเพราะการสวดจะทำให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ แล้วพอเรารู้สึกว่าความคิดต่างๆเริ่มหายไปเราก็ลองมาบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวหรือถ้าเราเหนื่อยต่อการสวดการบริกรรมเราก็มาดูลมหายใจแทนก็ได้แต่ต้องมีอะไรคอยกำกับใจไม่ให้ไปคิดให้มีอะไรให้ใจทำถ้าไม่สวดมนก็พุทโธถ้าไม่พุทโธก็ดูลมหายใจ ดูลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้เท่านี้ไม่ต้องไปตามลมเข้าตามลมออกไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ใจเข้าสู่ความสงบถ้าเราไม่คิดเราให้ใจคอยเพ่งดูลมอย่างเดียวใจก็จะเข้าสู่ฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ถ้าฌานสี่ขั้นแรกนี้เราเรียกว่ารูปฌาน ผู้ที่นั่งสมาธิแล้วได้เข้าถึงรูปประชานสีนี้ก็จะไปเกิดในรูปประพบเนี่ยสวรรค์ของสวรรค์ชั้นผอมเรียกว่าสวรรค์ที่เรียกว่ารูปปรผมผู้ที่ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้เรียกว่ารูปประผอมผอมที่มีรูป <Yeah. S 2> แล้วถ้าสามารถกําหนดจิตดูลมต่อไปให้เข้าสู่ความสงบได้มากไปกว่านั้น <Yeah. S 2> ได้เข้าสู่ ฌานที่ห้าที่หที่เจ็ดที่แปดเนีฌานที่ห้าหเจ็ดแปดนี้จะเรียกว่าอรูปปฌานผู้ที่เข้าถึงอรูปปฌานได้เวลาจิตตายไปก็จะไปสู่อรูปภพไปเป็นรูปอรูปภพเป็นพมที่ไม่มีรูปอรูปะอรูปะแปลว่าไม่มีรูปรูปแปลว่ารูปพมมีสองแบบ รูปประพรมกับอรูปประพ ม, าปปะพมถามว่าเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูเอาเองว่ามันเป็นยังไงต่างกันอย่างไรผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่ารูปประชานกับอรูปประชานต่างกันอย่างไรความละเอียดต่างกันความสุขต่างกันถ้าจะมาอธิบายนี้อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นของที่ไม่มีอะไรที่จะมาอธิบายได้มัน เป็นสิ่งที่ต้องเห็นเองรู้เองเห็นเองปฏิบัติเองเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติต่างๆนี้มันไม่เหมือนกับที่เห็นเองเรื่องราวต่างๆที่เล่าให้ฟังนี่เพียงผู้ฟังก็อาจจะจินตนาตะจินตนาการตามไปเท่านั้นเองแต่เวลาเป็นจริงๆนี่มันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราจินตนาการก็ได้ อันนี้ก็พูดบอกไว้ให้เห็นภาพแบบรวมๆให้รู้ว่าเรื่องจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้สูญไปกับร่างกายเรายังต้องไปต่ออยู่ในสามภพนี้ไม่กามมาพบก็รูประพบไม่รูประพบก็อรูประพบแต่ไม่ว่าเราจะไปอยู่ในภพไหนเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พราบุญที่ส่งเราไปสู่พบต่างๆเหล่านี้มันเหมือนน้ํามันรถยนต์พอเติมน้ํามันรถยนต์แล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดหมดเราก็ต้องกลับมาที่สถานีบริการกลับมาเติมน้ํามันใหม่พอเราตายไปเราก็ไปสู่การมาพบบ้างรูปพบบ้างอรูปพบบ้างพอบุญที่ส่งเราไปหมดเราก็กลับมาเติมบุญใหม่หรือเติมบาปใหม่ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ทาบุญทำบาปกันใหม่เราเคยทำอะไรเรามักจะกลับมาทำเหมือนเดิมถ้าเราเคยทำบุญเราก็มักจะกลับมาทำบุญเราเคยทำบาปเราก็มักจะกลับมาทำบาปเราเคยเป็นนักบวชเราก็มักจะกลับเป็นนักบวชกลับมาถือศีลปดศีลสิบศีลร้อยยี่เจ็ดเคยนั่งสมาธิก็จะกลับมานั่งสมาธิ มันเป็นนิสัยสันดานเนีเราทําอะไรไว้แล้วมันจะเป็นมันจะฝังอยู่ในใจเราเหมือนกับเราถนัดมือขวามือซ้ายนี่มันก็ฝังอยู่ในใจเราเราเคยถนัดมือขวาเรามาเกิดกี่ภพกี่ชาติเราก็จะใช้มือขวาเราถนัดมือซ้ายเราก็จะกลับมาใช้มือซ้ายเราชอบอะไรเราก็จะมาชอบเหมือนเดิมชอบสีเขียวชอบสีแดงชอบสีอะไร เราก็จะกลับมาชอบสีนั้นๆเราไม่ชอบสีอะไรเราก็จะไม่ชอบสีอย่างนั้นอันนี้มันไม่หายไปกับการตายของร่างกายมันติดอยู่ในใจของเรามันเป็นคุณสมบัติมันเป็นนิสัยสันดานของพวกเราแต่เป็นสิ่งที่เราแก้ได้ถ้าเรารู้ว่านิสัยสันดานที่เรามีไม่ดี มีโทษกับเราเราแก้ได้เช่นถ้าเร า, า, รร ม, ามีนิสัยทาบาปมีนิสัยชอบเสพอบายามุขแล้วเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันไม่ดีมันสร้างผลเสียหายให้กับจิตใจของเราเราก็เปลี่ยนได้แต่ต้องใช้ความพยายามเพราะว่ามันการเปลี่ยนนิสัยนี้มันไม่ใช่จะเปลี่ยนแบบ ง, ง่ายๆพอบอกว่าไม่ทำปุ๊บจะหยุดได้ปั๊บนี้มันยาก เคยดื่มโซรามาตลอดเวลาอยู่ดีๆก็บอกว่าจะเลิกดื่มเลยนี่อาจจะพูดได้อาจจะทำได้วันสองวันแต่เดี๋ยวนานเข้านานเข้าเดี๋ยวมันก็อาจจะลืมไปก็ได้ว่าอยากจะเลิกดื่มโซราพอมีเพื่อนฝูงมาชวนไปดื่มก็ไปกับเขาแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความพยายามที่จะฝืน ต่อไปเราก็เลิกได้นิสัยที่ไม่ดีชอบดื่มสุราก็เลิกได้ชอบเล่นการพนันก็เลิกได้ชอบเที่ยวก็เลิกได้ชอบชอบปปิ้งก็เลิกได้ชอบซื้อข้าวซื้อของไม่จำเป็นอะไรต่างๆเลิกได้แล้วหันมาฝึกนิสัยที่เราไม่มีแต่เป็นนิสัยที่ดีก็ทำได้เช่นมาหันนิสยัยทําบุญทําทาน มาหัดนิสัยรักษาศีลกันมาหัดนิสัยนั่งสมาธิกันของพวกนี้เราสามารถที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าพระนั่นมาปรากฏเพราะคนเราจิตใจของพวกเราทุกคนนี้มันไม่ได้ไปทางสู่พระนิพพานกันเลยนานๆจะมีคนที่มีความปรารถนาที่อยากจะหนีจาก เรื่องราวต่างๆที่ได้มาเกิดที่ได้มาพบเนี่ยทุกครั้งที่เรามาเกิดนี้เราจะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่ดีกันนะครับเรื่องราวที่ไม่ดีก็คืออะไรความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการสูญเสียหรือการพัดพากจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักการต้องไปเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบบุคคลที่เราไม่ชอบเนี่ย อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนากันแต่ทุกคนที่มาเกิดก็ต้องเจอกันนานๆจะมีคนที่อยากจะหาวิธีว่าทํายังไงจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดทําไงจะไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์เหล่านี้นานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นสักพระองค์หนึ่งเพราะว่าต้องมาเปลี่ยนทิศสัย นิสัยที่พาให้เรามาเกิดอยู่เรื่อยๆคือความอยากสามประการนี่องกรรมตัณหานิสัยที่ชอบเสพกรรมมีใครไม่ชอบเสพกามบ้างเนี่ยที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนอยากดูหนังฟังเพลงทั้งนั้นอยากไปเที่ยวอยากกินอยากดื่มไม่ค่อยอยากจะทํางานกันไม่ยากไม่ชอบไปไปอยู่วัดกันแต่ชอบไปเที่ยวกันถ้าให้เลือกระหว่างไปเที่ยวกับไปอยู่วัดนี่จะเลือกอันไหน ถ้ามีคนเข้ามาเสนออามีบริการฟรีไปเที่ยวฮ่องกงกับไปอยู่วัดห้าวันนี่จะไปที่ไหนดี <Yeah. S 1> นลองได้ไปฮ่องกงฮะไม่ไปวัดกันนอกจากพวกที่เคยมีนิสัยไปวัดนก็จะเลือกไปวัดแต่พวกที่มีนิสัยชอบเที่ยวก็จะไปเที่ยวนี่คือนิสัยที่ติดมากับใจของสัตว์โลกที่พาให้เรามาเกิดกัน เพราะความอยากหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายนั่นเองมันจึงทําให้เราหลังจากที่เราไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปแล้วเราก็มารอรับร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่เราก็มาทําแบบเดิมชอบเที่ยวก็เที่ยวต่อชอบกินชอบเดิมก็กินต่อดื่มต่อแล้วก็มาทุกข์ในภายหลังมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไง เพราะคนส่วนใหญ่คิดไม่เป็นไม่เคยคิดว่าจะหาทางออกจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแ่ะเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่คิดเป็นคิดว่ามันมีเหตุพาให้มันต้องมีเหตุอะไรพามาให้มาเกิดถึงยงังต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นคนที่ หลังจากที่เห็นว่าพราะองค์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์ก็เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความคิดที่อยากจะหาทางออกจากทางนี้ก็ไปเห็นพวกนักบวชก็ถามพวกนักบวชเขาก็บอกว่ากำลังหาทางออกเหมือนกันแต่ยังหาไม่เจอท่านก็เลยออกบวชตามเขาไปเพื่อที่จะไปแสงวงสวงหา ทางที่ไม่ต้องพาให้กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ได้เพียรพยายามได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ต่างต่าง <c oughs> ก็ได้สามารถหยุดความอยากได้ในระดับชั่วข่าวแต่ยังไม่สามารถหยุดได้ในระดับทา้าวอคือไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงที่จะกาจัดความอยากให้หมดไปตลอดเวลารู้แต่วิธี กำจัดมันเพียงชั่วคราวคือให้มันเข้าไปในสมาธินั่นเองให้มันเข้าไปอยู่ในรูปฌานหรืออยู่ในอรูปฌานตอนนั้นความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจมันจะหายไปหมดหายไปชั่วคราวแต่มันไม่ตายพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็ความอยากเหล่านี้ก็โผล่ขึ้นมาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้ว่าจะกาจัดเงยให้มันหายไปหมดนะก็มีแต่พระพุทธเจ้านี่แหละที่ต้องลองผิดลองถูกทดลองด้วยวิธีการต่างๆพยายามอดอาหารถึงสี่สิบเก้าวันไอ้ความอยากมันก็ยังไม่ตายก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจก็ต้องไปแก้ที่ใจวิธีที่จะแก้ก็แก้ ได้ครึ่งหนึ่งก็แก้ด้วยวิธีสมถภาวนาคือทำใจให้สงบแต่พอออกจากความสงบมันก็ไปอยากขึ้นมาก็เลยคิดว่าอะไรทาให้มันอยากก็มันไปคิดถึงเรื่องที่มันน่าอยากมันก็อยากคิดถึงคนสวยๆงามๆก็อยากจะได้เขามาเป็นแฟนแต่ถ้าไปคิดถึงคนที่น่าเกลียดน่ากลัวก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนพระพุทธเจ้าก็เลย คนพบวิธีว่าให้คิดอย่างไรที่จะทำให้ความอยากมันหายไปให้ไปคิดในทางตรงกันข้ามกับที่เราเคยคิดถ้าคิดว่ามันเป็นสุขก็ต้องดูใชว่ามันสุขจริงหรือเปล่าถ้าดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สุขตลอดไปสุขตอนต้นเท่านั้นเองเช่นแต่งงานกันใหม่ๆก็สุขรักกันดีพออยู่กันไปสักพักเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะเดี๋ยวก็โกรธกันเกลียดกันละ อันนี้มองไม่เห็นเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเห็นแต่ส่วนที่ดีเมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนคิดเป็นคิดว่าถ้าอยากจะหยุดความอยากต่างๆก็ต้องคิดไปในทางตรงกันข้ามกับที่เราเคยคิดถ้าเราคิดว่าได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขเราต้องคิดว่าแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเวลามันหายไปแล้วมันจะสุขหรือเปล่ า, าเวลามันเสื่อมไปเวลามันหมดไป มันเสื่อมมันเราบรรทให้ความสุขเราได้หรือเปล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรที่ไม่เสื่อมบ้างมีอะไรที่ไม่เสียบ้างมีอะไรที่ไม่หมดบ้างให้คิดแบบนี้ให้คิดว่าทุกอย่างไม่จีรังถาวร อ, อันนี้จังเห็นอันนี้จังความไม่แน่นอนไม่เห็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราให้ดีกับเราไปตลอดไม่ได้ วันดีคืนดีเขาก็อาจจะจากเราไปวันดีคืนดีเขาอาจจะเปลี่ยนไปจากการที่ให้ความสุขกับเราก็มาให้ความทุกข์กับเราก็ได้นี่คือการค้นพบวิธีที่จะทำให้ความอยากหายไปหมดจากใจต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ตามเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับ ถ้าเห็นว่ามันสวยก็ต้องเห็นว่าเวลามันดับมันไม่สวยเวลามันแก่มันไม่สวยหรือเวลาดูเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังของร่างกายมันไม่มีอะไรน่าดูเลยถ้าเรามีตาเอ็กซเรย์นี่เราจะเห็นส่วนที่ที่ผิวหนังกับเนื้อมันหุ้มห่อปกปิดเอาไว้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราจะเห็นทะลุเข้าไปเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะ เห็นปอดเห็น <Vous> ต <dorm ez> ve e ับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนได้เห็นความจริงเหล่านี้แล้วความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็ไม่มีความปรารถนาที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราไม่ไม่ไม่มีอะไรน่ากลับมาเกิดนั่นเองมีแต่ความทุกข์รออยู่ มีแต่ส <Todos olo i> ิ่งที่ไม่สวยไม่งามรอเราอยู่แต่เรามองไม่เห็นกันท่านั้นเองเราไม่คิดถึงมันท่านั้นเองเรามัวแต่ไปคิดถึงไอ้เรื่องสวยๆงามๆคิดแต่เรื่องที่เป็นความสุขกันแต่ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่มันเป็นความทุกข์เรื่องที่มันไม่สวยไม่งามที่มันอยู่อีกด้านหนึ่งของของเรื่องที่เราคิดอยู่นั่นน่ะเรื่องที่เราคิดอยู่นี้มันมีสองด้านมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เนี่ยแต่เรามองแต่ด้านเดียวมองแต่ด้านสุข มองแต่ด้านที่สวยงามหน้าดูหน้าชมหน้ากินหน้ารับประทานไม่ไปมองหน้าตอนที่มันไม่น่ารับประทานไปดูในซ่วมตอนนั้นอ่ะมันไม่น่ารับประทานไม่มองกันมันก็เลยอยากกินอยากดื่มอยากอะไรกันไปถ้าเรามองมุมกลับบ้างอะากไปมองมุมอร่อยมองมุมไม่อร่อยบ้างถ้าเราทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ต่อไป ความอยากต่างๆนี้มันจะหายไปหมดนี่คือเรื่องที่เราไม่รู้กันจะไม่มีวันรู้ถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาซึ่งนานๆจะมีคนแบบนี้สักคนหนึ่งที่จะมาคิดคน้นหาวิธีว่าทำไมต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆทำไมต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆมีอะไรทำให้มาเกิดในที่สุดก็สองคน ควาหาวิธีจนค้นพบว่าการมาเกิดก็เกิดจากการเนี่ยมามีความอยากทั้งสามประการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากร่าอยากรวยอยากใหญ่อยากโตอยากสวยอยากงามเอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากสามแบบนี้ต้องหยุดมันให้ได้จะหยุดมันได้ก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้เองถ้าเราทำทานคือทุกครั้งที่เาเอาเงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขก็ให้เอาไปทำบุญเพราะถ้าซื้อแล้วมันจะติดแล้วมันต้องซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อมาเท่าไหร่ความสุขที่ได้ก็ได้เดี๋ยววได้มาแล้วก็หมดไปแล้วมันก็จะติดต้องกลับมาซื้ออยู่เรื่อยๆต้องเลิกซื้อความสุขต่างๆ เอาเงินไปบอยจากทําบุญทําทานช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแทนจนกว่าไม่มีเงินจะซื้ออะไรเราก็หยุดทําบุญได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินมาซื้อของต่างๆอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีเวลามารักษาศีลมาเป็นบวชมามาบวชได้มารักษาศีลห้าศีลแปดได้พอรักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ สมถภาวนาพอใจสงบแล้วทีนี้เราก็มีกำลังที่จะคิดไปในทางตรงกันข้ามกับที่เราเคยคิดเราเคยคิดว่ามันสุขต่อไปเราจะคิดว่ามันทุกข์เราเคยคิดว่ามันสวยมงามเราจะคิดว่ามันไม่สวยไม่งามเราเคยคิดว่ามันน่ากินน่าดื่มเราจะคิดว่ามันไม่น่ากินน่าดื่มถ้าเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหายไปหมดแล้วเราก็จะไม่ต้อง มีอะไรเดิมให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเพราะเรามีความสุขจากการที่เราหยุดความอยากต่างๆทำใจของเราให้สงบเวลาไม่มีความอยากนี่ใจเรามีความสุขแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเวลาที่เกิดความอยากนี่แหละมันทำให้ใจเราทุกข์เพราะเราต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้กัน แล้วถ้าไม่ได้เราก็จะทุกข์กันถ้าร่างกายเจ็บเราก็จะทุกข์กันไปเที่ยวไม่ได้แล้วก็ทุกข์แล้วไปหางเงินไม่ได้ก็ทุกข์กันล่ะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นพ่อของพวกเราพ่อทางจิตวิญญาณพ่อที่จะพาให้เราให้เราได้ไปเป็นพระอริยบุคคล ให้ได้ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่เป็นขั้นตางขั้นเจริญโตบโตของจิตใจในทางที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องเจริญเป็นขั้นขั้นเหมือนตอนที่ร่างกายเป็นเด็กเป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กเล็กก่อนแล้วเขเป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามลําดับ ใจิตใจของเราก็ต้องเจริญเติบโตตามลำดับขั้นของพระอริยเจ้าเป็นโสดาบันก่อนถึงไปเป็นพระสกิฎาคามีเป็นพร ะ, kami, นพระอน า, า Ca, สกฎิฎาคามีแล้วก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบต่อไปไม่ต้องมาเกิดในกาย ม, ม, มาปปพบไม่ต้องมาเกิดในรูปพบไม่ต้องมาเกิดในอรูปพ ก็อยู่ที่พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกท่านอยู่กันในตอนนี้คนที่ไม่มาเกิดนี้ไม่ได้ตายไม่ได้สูญหายไปไหนนิพพานไม่ได้สูญหายไม่ได้หมายถึงจิตสูญหายคำว่าสูญของนิพพานก็สูญจากความทุกข์ในนิพพานนี้ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่เรียกว่าบรมสุขบรมังสุขขังนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้า ถ้าเราอยากจะทดแทนตอบแทนบุญคุณอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราทดเราทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราทากันให้เราปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองยิ่งขอให้พวกเราจงนำเอาเรื่องของวันพ่อนี้ไปพินิจเป็จา เรามีพ่อหลายพ่อด้วยกันมีพ่อทางแมกทางร่างกายมีพ่อทางประเทศชาติมีพ่อทางจิตใจบุคคลเหล่านี้ท่านก็มีพระคุณกับเราถ้าเราสามารถแสดงออกถึงความกตัญูกรตวเวทีในรูปแบบใดก็ขอให้พวกเราทำกันเพราะมันเป็นมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งก็ขอ ยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานงอุปกะปะปะัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจตุตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติอระโสยทาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจังวุฒาปะจายโน ยตารุธรมมวทานติอายุวันโนสุขังพาลัง <c oughs> ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องทางปฏิบัติธรรมขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็ เขียนใส่กระดาษส่งขึ้นมาก็ได้แล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ f a c e b o o สามร้อยเจ็ดสิบสาทหนึ่งร้อยแปดิสองยทออนไลน์ยี่สิบหกผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยเจ็ดิบเอดรวมเจ็ดร้อยห้าสิบสองครับอาจารย์วันนี้อุ่นหน้าฟ้าข้างหน่ยอยถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย คำถามฝากถามค่ะกลาบเรียนพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วติดสุขถือเป็นสิ่งที่ดีไหมเจ้าคะดีสมาธินี้ไม่มีโทษมีแต่คุณเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมาเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปไกลกว่านี้เราก็ต้อง อ, อย่าไปติดสมาธิอย่างเดียวต้องติดปัญญาต่อไปพอเราได้สมาธิเราชำนาญการเข้าออกสมาธิแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องไปติดทางปัญญาด้วยติดทั้งสองอย่างติดทั้งสมาธิติดทั้งปัญญาคือต้องสลับกันทานั่งสมาธิเสร็จออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญามาพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆพิจารณาปติกูลของอาหารอยู่เรื่อยๆพิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากการแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาอย่างนี้แล้ว จะมีปัญญาที่จะมาละความอยากต่างๆไนดะ้หลังจากพิจารณาแล้วถ้าจิตมันฟุ้งหรือจิตมันไม่สงบก็หยุดก่อนกลับไปนั่งสมาธิก่อนเพราะว่าจิตต้องสงบถึงจะพิจารณาทางปัญญาได้ถ้าไม่สงบแล้วจิตจะหลงได้เพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาปัญญาไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่า เริ่มฟุง้งซ่านเริ่มหงุดหงิดเริ่มลำคาญ เ, เริ่มมีอารมณ์ก็ต้องหยุดมันแล้วกลับมาทำจิตให้สงบใหม่พอจิตสงบพักอยู่ในสองความสงบจนกว่าจิตจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วก็มาพิจารณาไตรักใหม่พิจารณายิาง่งจนกว่าเราจะจำได้ตอนนี้เรายัางหลงหล ง, ล, งลืมลืมบางทีก็เห็นว่าเป็นไตลักบางทีก็เห็นว่าไม่เป็นไตรัก บางทีก็เห็นว่าสวยบางทีก็เห็นว่าไม่สวยต้องให้มันเห็นเป็นตายลากอยู่ทุกครั้งเห็นไม่สวยอยู่ทุกครั้งเห็นไม่น่ากินไม่น่าดื่มอยู่ทุกครั้งแล้วมันจะตัดกิเลสตันหาความอยากต่างๆได้คำถามจากคุณพัฒพัฒ์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ทำไมฟังธรรมครูบาอาจารย์ทีไรทำไมรู้สึกว่าท่านเทศสอนในเรื่องของตัวเองเลย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ครับเพราะว่าทรรมมันเกี่ยวกับเรื่องของเราเนะีย่ยห็นกับเรื่องจิตใจที่เหมือนกันทุกคนจิตใจของพวกเรานี่เหมือนกันมีรักมีชังมีกลัวมีหลงมีกิเลสมีตัณหามีความทุกข์ท่านผู้สแสดงก็มีเหมือนกันค่อยมีมาเหมือนกันแต่รู้จักวิธีแก้มันก็เลยเอาเรื่องนี้มามาพูดมาเล่าให้ฟังทั้งนี้นงนั้นไม่ว่าจะพูดให้กับใครก็ จะเหมือนกับว่ า, วารู้ใจก็มันใจมันเหมือนกันเนี่ยรักชังเหมือนกันโลภโกรดหลงเหมือนกันวิธีแก้ก็ต้องทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาเหมือนกันคำถามจากคุณบุญเสริมคะ่ะข้อแรกตอนเราฝันแสดงว่าเราได้ชดใช้กรรมถูกต้องไหมครับอ๋อตอนฝันนี้ยังเป็นการดูหนังตัวอย่างอยู่เพราะฝันเดียวเดียว ไม่กี่ชั่วโมงแวบๆบบบหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วช่วงที่เรานอนหลับนี่ยังเป็นช่วงที่เราดูหนังตัวอย่างอยู่จะดูหนังจริงก็ตอนที่ไม่มีร่างกายแล้วร่างกายตายแล้วช่วงนั้นมันไม่รู้กี่ร้อยปีนะ่ะกว่าจะได้เกิดมาได้ร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่ดูหนังยาวหนังจริงคำถามที่สองค่ะตอนเราฝันเราสามารถควบคุมได้ไหมครับ ไม่ได้เราก็ควบคุมได้แล้วก็ฝันดีเลยใช่ไหมต้องไม่ต้องฝันลายกันเวลาเรานอนดับไม่มีสตินะเพราะไม่มีสติก็เหมือนกับรถสมัยนี้เขามีอัโต้พายล็อตใช่ไหมมีคนขับหลับรถมันยังวิ่งไปได้เมื่อไม่กี่วันมีข่าวคนเมาล็อกขับแต่รถมันเป็นรถเทสลามันเป็นมันมีตัวขับเองได้ตำรวจก็เห็นให้คนขับมันฟุบอยู่ทาไมรถมันยังวิ่งได้เออวิ่งเร็วด้วย 60, หกสิบเจ็ดสิบมาจะหยุดมันยังไงตำรวจอะไรต้องไปแซงอยู่ข้างหน้ามันแล้วค่อยๆชะลอมันพอรถมันจะไปชนท้ายเข้ามันก็จะชะลอตามแล้วนายที่รวก็หยุดได้หยุดรถได้แล้วก็ดึงให้คนขับที่เมาเนี่ออกมาให้มาตรวจ ด, ดู ด, ดูดูว่ามีแอลโกอฮอล์มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน เวลานอนหลับนี่เราเหมือนกับเราไม่ใช้แมนนวลละเราใช้ออตโต้ละให้รถให้จิตมันขับเองไอ้ตัวที่จะมาขับจิตเราก็คือบุญกับบาปที่เราทําไว้นั่นเองอันนั้นเราควบคุมไม่ได้เพราะเรานอนหลับไม่มีสติเวลาตายก็เหมือนกันเวลาตายก็ไม่มีสติควบคุมใจใจก็อยู่ภายใต้อำนาจของบุญของบาปไปนอกจากพระอริยะเท่านั้นที่ท่านยังมีาสามารถควบคุมฝันได้ พระอริยบุคคลท่านจะไม่ไปฝันไปทางอบายพระอริยะบุคคลคำถามจากคุณสิรปิปรียาเราสามารถใช้ลูกประคำกับการนั่งสมาธิได้ไหมคะถ้ามันได้ถ้ามันทำแล้วมีสติก็ได้แต่มันจะไม่ไม่ดีพอคือการจะนั่งสมาธิให้จิตสงบนี้ร่างกายต้องนิ่งไม่ต้องขยับไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไปขยับเคลื่อนด้วย การรับ ไ, ไปนับลูกประคำนี้จิตมันจะไม่สงบได้เต็มที่มันก็จะได้สงบในระดับสติคือไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดอยู่กับเรื่องลูกประคำแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบต้องนั่งนิ่งๆแล้วก็ดูเฉยๆดูลมหรือพุโทโธไปเท่านั้นมันถึงจะสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นการเบื้องต้นนี้ถ้าจิตมันฟุ้งมันไม่ยอมพุโทโธไม่ยอมสวดมนต์ก็ลองนับลูกประคไปก่อนก็ได้ ไปจนรู้สึกว่ามันเริ่มสงบเริ่มสวดได้เริ่มพุทโธได้หรือเริ่มดูลมได้ก็หยุดลูกประคำแล้วก็มาดูลมต่อคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณชรินทิพย์เวลาเราโกรธเสียงดังว่าเขาออกไปแล้วเพิ่งมาเห็นตัวโกรธหลังจากว่าเขาไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าตามจิตไม่ทันหรือเปล่าเจ้าคะเออสตมตามไม่ทัน ถ้ามีสตินี่เวลาจะโกรธมันรู้ก่อนล่ะยังไม่ต้องแสดงอาการออกมาทางวาจารเริ่มรู้แล้วาจิตเราโกรธแล้วมันถ้ามีสติมันไวขนาดนั้นก็จะหยุดมันได้สติระดับนั้นมันสติระดับสมาธิละคนที่เข้าสมาธิได้จะเห็นตัวกโกรธโผลขึ้นมาจากใจแต่คนที่ยังไม่มีสติระดับนั้นนี้บางทีดาา่าก็ไปแล้วบางทียังไม่รู้ว่าดาา่าก็ ยังมันด่าต่ออีกอันนี้แบบไม่มีสติมากมีสติน้อยอย่างของญาติโยมนี้ก็ที่ถามนี่ก็แสดงว่ามีสติหน่อยก็รู้ว่าได้ด่าไปแล้ว ถ, ถึงค่อยมารู้ทีหลังอันนี้เราต้องหัดฝึกสติกันให้มากมาเหมือนพุทโธพุทโธกันอยู่เรื่อยถ้าเรากดคุม ่ช่วบคุคมการคิดต่อไปเวลาความคิดโผล่ขึ้นมาเราจะรู้ทันทีอ่ะอยากจะดาะ่าเขาเนี่ยอะไรไม่ไม่ออกมาทางวาจาได้แต่ถ้าไม่มีสติมันออกมาทางวาจาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมารู้ทีหลังคำถามจากคุณบีมมิ่งค่ะผมนั่งสมาธิครับแล้วอยู่ช่วงจะเข้าชั่วโมงที่หนึ่งผมรู้สึกปวดที่สะโพกและผมเพ่งไปดูตรงสะโพก มันวิ่งปีตขึ้นมาข้างบนแล้วมันสว่างไปหมดเลยมันคืออาการอะไรครับพระอาจารย์มันก็เป็นอย่างที่คนเล่าให้ฟังมาถามเราทำไมคำถามจากคุณจาตุรนปู่ของผมเพิ่งเสียไปตอนท่านอยู่ผมชวนทำบุญบ้างเปิดธรรมะให้ฟังบ้างตอนที่ท่านจะจากไป ผมบอกให้ท่านภาวนาพุโทโธท่านไปอย่างสงบมีสติตอนที่เผาศพท่านมีฝนโปรยเล็กน้อยแสดงว่าท่านไปดีไหมครับ อ, อ๋อเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นตัววัดการไปของจิตท่านอันนี้เป็นอาจจะเป็นเหตุบังเอิญฝนมันโปรยขึ้นมาแา่การสงบนี่ก็ไม่ไหยคราบว่าใจจะสงบก็ได้ เั็นถ้าเราไม่มียานเล่งดูจิตนี่เราจะไม่รู้ว่าไปอย่างไรต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะรู้ว่าจิตเพราะท่านมียานมองเห็นสภาพของจิตเราเห็นได้แต่สภาพทางร่างกายซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของจิตก็ได้เพราะเวลาจิตหมดสติมันก็สงบเหมือนคนเมาเหล้ามันหมดสติมันก็นอนสงบแต่มันไม่รู้ว่าจิตมันเป็นยังไงตอนนั้นงั้นก็ยัยงวัดไม่ได้จาก ทางร่างกายหรือทางเหตุการณ์รอบด้านเช่นฝนฟ้าโปรยลงมาไม่ได้หมายก็ว่าพอฝนตกคนนี้คนตายคนยคนี้ไปสวรรค์ไม่ใช่อย่างั้นคำถามจากคุณคิดถึงคนบนฟ้าคนที่หลับตายจิดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเจ้าคะพอดีพระลูกชายเสียคะ่ะก็เป็นตามที่มันเป็นน่นแหละแล้วแต่มันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น คนที่จะรู้ก็คือคนตายนั่นแหละหรือคนที่มียาติดเลงเลงยานดูตอนนั้นก็จะรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรเพราะจิตเรานี้มันเวลามันใกล้ตายนี้มันมันอาจจะพลิกเป็นอย่างน้อนอย่างนี้ขึ้นมาได้เวลาจิตเราปกติมันจะเป็นอย่างหนึ่งพอไปอยู่ในเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวมันก็จะเปลี่ยนไปได้ แังไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคนเจ้าของจิตนั่นแ่ะถ้าไม่มีสติเจ้าของจิตเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหลงเวลาใกล้จะตายนี้อาจจะหลงอาจจะกลัวจะไม่มีสติสตังที่จะดูว่าจิตของตนเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของจำเพาะตนคนอื่นไม่เกี่ยวขอให้เรามาสนใจจิตเราดีกว่าจิตสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้ตอนที่เรายังไม่ตาย ถ้าเราอยากให้จิตเราสงบพยายามฝึกสติให้มากฝึกปัญญาให้มากแล้วเวลาใกล้ตายเวลาจะตายจิตเราจะมีสติปัญญาควบคุมให้มันอยู่ในความสงบได้จะไม่ตื่นเต้นตกใจจะไม่หวาดกลัวแต่ถ้าไม่มีไม่ฝึกไว้เวลาตายไปก็ต้องเป็นไปตามอํานาจของบุญของบาปของ กิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ในใจนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะทําให้จิตเราเป็นอะไรไปอย่างใดอย่างหนึง่งคาถามฝากถามค่ะเดี๋ยวนี้มีการบอกบุญออนไลน์กันมากมายถ้าเราร่วมบุญเหล่านั้นแต่หากคนที่เป็นสะพานบุญไม่ได้นําเงินเหล่านั้นไปทําบุญจริงๆเราจะได้บุญจากการทําบุญนั้นๆไหมคะเราได้บุญแต่ประโยชน์ไม่อาจจะไม่ได้ คือประโยชน์ของผู้ที่เราตั้งใจจะให้เขาได้รับอาจจะไปไม่ถึงเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจเราอย่าไปทําบุญดีกว่าแบบนี้เราไปทําเองดีกว่ารอเวลาหรือไปทํากับวัดโดยตรงที่เรามีความมั่นใจเช่นบางทีบางวัดเขาก็จะมีการขอบริจากมีบรรัญชีหมายเลขอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราตรวจสอบแล้วมั่นใจว่าเป็นของวัดนี้ ทำแบบนี้จะมั่นใจกว่าจะได้ประโยชน์จะได้ถึงผู้รับแต่ผู้ให้นี่ได้บุญไม่ว่าจะไปถึงหรือไม่ไปถึงเพียงแต่ว่าถ้าเขามาหลอกลวงเรามันเราก็จะเป็นเหมือนกับการส่งเสริมคนชั่วให้มาทำบาปาถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่จะมาหลอกลวงเราก็ไม่ควรทำถึงแม้ว่าเราจะได้บุญแต่เราทำบุญกับคนชั่วเราไม่ได้ทำบุญกับคนดีเหตนี้าการทาบุญนี้ต้องพิจารณาให้รอบครอบก่อน ให้มั่นใจว่าไม่ถูกหลอกให้มั่นใจว่าไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับจริงหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปทำเองดีกว่าคำถามจากคุณจตุรนการภาวนาพุโทโธ ค, ควรควบคู่ไปกับการเดินนั่งนอนใช่ไหมครับคือพุโทโธนี้สามารถใช้ได้ในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธได้แต่ถ้าเราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานที่เราทําเราก็หยุดพุโทโธไปก่อนแต่เราจะไม่ปล่อยให้คิดด้วยเปื่อยไม่ให้คิดเพ้อฝันเพ้อเจออะไรต่างๆเพราะมันจะทําให้ใจเรามีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาดีใจเสียใจเป็นบ้าก็เพราะความคิดนี่แหละดังั้น ถ, ถ้าเรามีสติเราหยุดความคิดต่างๆได้มันก็จะทาให้ใจเรา ว่างใจเราสงบใจเราเยน็นใจเราสบา ย, ยางั้นเราสามารถใช้พุทธโธได้ทุกกรณีคำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วการเห็นอสุภะแวบบแรกเราเห็นว่าสวยหลอ่อแต่ตามด้วยเห็นร่างกายเขาเหล่านั้นส ก, กรปรกไม่สวยงามสังเกตว่าเป็นทุกครั้งที่เห็น อันนี้เป็นปัญป ญ, ญาหรื อ, อยังคะก็ยังตามกิเลสอยู่ต้องปัญญานํากิเลสต้องเห็นเห็นอสุภะก่อนที่จะเห็นสุภะเลยถ้าเห็นสุภะและ้วก็มาเห็นสอสุภะก็ยังแสดงว่ายัางไล่กิเลสไม่ทันกิเลสมันเร็วกว่ามันเห็นสวยก่อนแล้วค่อยปัญญาค่อยตามม า, าเห็นไม่สวยต่อไปถ้าปัญญาเร็วก่ามันเห็นไม่สวยก่อนเลยสวยมันก็ไม่โผล่ขึ้นมายังต้องฝึกต่อไปฝึกให้มากๆ เห็นใครทีไรก็เห็นสุภาพก่อนอย่าไปเห็นสวยก่อนอย่าไปเห็นสุภาพก่อนเห็นสุภาพก่อนฝึกไปเรื่อยๆนึกถึงอาการใดอาการหนึ่งทุกครั้งที่เห็นใครนึกถึงอาการนี้เช่นโครงกระดูกเห็นใครปั๊บก็นึกถึงโครงกระดูกเขาก่อนอย่าไปนึกถึงหน้าตาเขาอย่าไปนึกถึงอ่คิ้วอย่าไปนึกถึงจมูกอย่าไปนึกถึงปากริมฝีปาก นนี้ให้นึกถึงโครงกระดูกหรือกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังผิวหน้าเข า, าหน้าเรานี้มันหน้ากากรู้ไหมเนี่ยเรามีหน้ากากยางครอบกระโหลกอยู่แต่เรามองไม่เห็นกระโหลกเราเห็นแต่หน้ากากยางคือหนังเนี่ยหน้ากากหนังที่มันคอบกระโหลกศีรษะเราอยู่หัดฝึกมองกระโหลกศีรษะแล้วทุกครั้งเวลามองเห็นหน้าตาใครให้นึกถึงกระโหลกศีรษะที่อยู่ข้างหลัง อ่าไอหน้ากากหนังที่มันครอบอยู่ต่อไปมันก็จะเห็นเป็นกระโหลกศรีรษะไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเหมือนกันหมดตอนนี้คำคำหมดครับวนแล้วเลยอ่านี่คือเรื่องของปัญญาแต่ส่วนใหญ่มันจะมามายากเพราะเราไม่เคยมองกันแบบนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเรามองตามนิสัยเดิม เราชอบมองของสวยๆงามๆขอไม่สวยงามแล้ว เ, เราชอบปิดตาหรือหลับตาไม่มองมันเนไอ้หนังสือนี่เขาถึงมีแต่หนังสือแฟชั่นของสวยๆงามๆไม่มีหนังสืออสุภะขายก็ขายไม่ได้ขายก็เจ๊งใครทําหนังสืออสุภะมาขายก็เจ๊งต้องทําแต่หนังสือสุภาพเพราะว่ามันเป็นความต้องการของจิตใจของพวกเราทุกคน ต้องการชอบดูแต่ของสวยๆเง่งงามดูแล้วมันเกิดความสุขถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขปลอมก็ตามแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยพวกเราทุกวันนี้เสพความสุขปลอมกันเพราะเรายังไม่เคยรู้จักความสุขจริงว่าเป็นยังไงเราก็เลยต้องอาศัยความสุขปลอมนี้ไปแล้วเราก็ต้องมาเสียใจเวลาที่ความสุขปลอมนี้มันหายไปมันหมดไปนี่คือความทุกข์ของเราที่เกิดจากการไปเสพความสุขปลอมกัน แต่เราไม่มีความสามารถที่จะไปพบกับความสุขจริงถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเราจะไม่สามารถเข้าถึงความสุขจริงอันนี้ได้ต่อไปอารม บ, บุสอบถามว่าช่วงปลายปีที่วัดมีกิจกรรมให้เข้าร่วมบวช ถ, ถือศีลไหมเจ้าคะที่วัด น, นี้ก็เปิดตลอดเวลาไม่มีเวลาเวลาพิเศษ ก็อยากจะมาอยู่ถือศีลก็อนุ ญ, ญาตให้อยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันนุ่งขาวห่วมขาวถือศีลแปดลงโบสถเช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิช่วงบ่ายอยากจะฟังเทศก็ขึ้นมาฟังเทศบนเขาได้แต่ไม่มีการกําหนดเป็นช่วงเวลานอกจากถ้ามีกลุ่มเข้ามาเช่นกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษาบางทีเข้ามาติดต่อกับทางวัดทางวัดก็จะจัดสถานที่ให้เป็นกรณีพิเศษ เป็นมาอยู่อบรมเข้าค่าย3มวันเข้าค่ายธรรมะ3วัน5วันทางวัดก็จะจัดวิทยากรพระไปสอนแต่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้เพราะเรางานก็ล้นมือมีต้องสอนอยู่ทุกวันในช่วงบ่ายถ้าใครอยากจะฟังของเราก็ต้องมาช่วงบ่ายสองโมงหรือติดตามทางถ่ายทอดสดทาง YouTube หรือ Facebook หรือจะดูย้อนหลังก็ได้ ท, ทุกการแสดงทุกวันนี้มีเก็บไว้อยู่ใน YouTube ใน Facebook ใน Facebook เขาเข้าไปดูในวิดีโอใน y o u t u ู e เขาก็มีวิดีโอก่าวให้ดูเข้าไปดูได้แต่กิจกรรมที่ทางวัดจัดนี้ไม่มีคือเป็นเป็นเรื่องของญาติโยมที่จะมาทำกันเองคำถามจากคุณพานุวัตรวันนี้ไปบริจาคโลหิต ถือว่าเป็นการทำบุญหรือเปล่าครับแล้วถ้าเราอธิฐานในใจให้กับผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้สิ่งที่เราอธิฐานไปเขาจะได้รับหรือเปล่าครับถ้าเขารอรับอยู่ก็ได้การบริจาคเลือดก็เป็นเหมือนกับการบริจาคทรัพย์ซึ่งอาจจะมีคุณค่ามากกว่าการบริจาคทรัพย์เพราะผู้ที่ได้เลือดต้องการเลือดนี้อาจจะช่วยชีวิตเขาได้ ก็เป็นการทำบุญแบบหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีทรัพย์หรือมีอวัยวะเช่นบางทีคนที่เรารักคนที่เราเคารพต้องการอวัยวะเช่นตายวายแล้วเราต้องการบริจาคตายไปอย่างนี้เราก็ได้บุญแล้วก็อุทิศบุญนี้ได้แต่ถ้าเราบริจาคให้ตอนตอนที่เราตายไปแล้วไม่ได้บุญ เช่นเราเขียนพิในกรรมหรือติดต่อกับสภากาชาติไทยไว้ตรงหน้าก่อนว่าจะขอบอริจาร่างกายบริจากระวัยวะแต่ขอบอริจาคตอนที่ตายแล้วตอนนั้นก็จะไม่ได้บุญแล้วเพราะเราไม่มีความรับรู้แล้วว่าเราได้เสียสละอะไรไปเราต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราถึงจะได้รู้มีความรู้สึกมีความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละ สิ่งที่เราลักเราหวงให้แก่คนอื่นเพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดมีความรู้สึกความสุขใจขึ้นมาแต่เวลาเราตายไปแล้วเราเข้าในโลกของความฝันแล้วร่างกายจะไปทําไปอยู่ที่ไหนใครจะไปใช้อะไรนี่เราไม่รู้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเพราะฉะนั้นการเบอร์จากต้องเบอร์จากตอนที่มีชีวิตอยู่ใช่เบอร์จากเลือดเบอร์จากไตยอย่างนี้เป็นต้น ไวจากตาแต่ถ้าบอกว่าเวลาเราตายแล้วต้องการอวัยวะไหนก็เอาไปเลยเราไม่รับรู้แล้วตอนที่เราตายเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรหรือไม่อย่างไรคําถามฝากถามค่ะ <c oughs> เวลานั่งสมาธิแล้วตัวหมุนแรงมากค่ะจะต้องทํายังไงต่อไปคะหัวใจก็เต้นไวมากค่ะเพราะเราไม่มีสติอย่างนี้ นั่งอย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆต้องให้มีพุโทโธพุโทโธกำกับหรือดูลมหายใจเข้าออกกำกับอยู่อย่าไปนั่งเฉยๆเดี๋ยวจิตมันก็แหวกแนวมันก็ออกม า, าวาดลวดลายพูดง่ายๆแสดงอาการต่างๆขึ้นมาได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นก็ถ้าดึงสติกลับมาให้ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปเดี๋ยวมันก็หายไป เป็นอาการที่เกิดจากการไม่มีการควบคุมบังคับของจิตใจเหมือปนปล่อยให้เด็กเล่นกันเนี่ยไม่มีครูคอยคุมเด็กมันก็เล่นกันเดี๋ยวก็ตีกันว่ากันทะเลาะกันแต่ถ้ามีครูมาคอยห้ามคอยหยุดมันก็จะเรียบร้อยคำถามจากคุณนรมนค่ะเราฟังเทศจากพระอาจารย์แล้วอุทิศให้บุปการีผู้ล่วงรับท่านจะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกบุญนี้เป็นบุญที่เรา กำลังสร้างกันอยู่เอยังไม่เป็นบุญที่เหมาะต่อการอุทิศนบุญที่เหมาะต่อการอุทิศที่เป็นบุญเต็มที่เลยก็คือบุญที่เกี่ยวกการทําทานากาการแบ่งปันการให้อาอยากจะอุทิศบุญก็ใส่บาตรถวายสังฆทานหรือเบิจายเงินให้โรงเรียนโรงพยาบาลเงนีย้ยอันนี้ได้บุญทันทีได้บุญเต็มที่ แต่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมยังเป็นบุญแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ฟังไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจฟังไปแล้วอาจจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ยังไม่เป็นบุญเต็มที่ยังไม่สมควรต่อการอุทิศถ้าเป็นเสื้อผ้าบางทีแขนยังไม่มียังกระเป๋ายังไม่ได้ใส่กระดุมยังไม่ใส่แล้วก็ส่งไปให้เขาอย่างเงี้หมอนสู้ไปซื้อสาเร็จรูปเลยดีกว่า เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำบุญทําทานเนี่ยเป็นบุญสำเร็จรูปได้ครบทุกอย่างส่งไปได้ทันทีเลยคำถามจากคุณก๊อฟนรวิทย์ผมรับออกแบบสิ่งพิมพ์มีลูกค้าจ้างให้ออกแบบนามบัตรของร้านวายจะเป็นการสนับสนุนให้ผิดศีลไหมครับคือเราสนับสนุนการขายชุรายาเมา <c oughs> ซึ่งคนขายสุรายามาวก็ไปสนับสนุนให้คนดื่มคนทีคน่คนที่ดื่มนีผิดแต่คนพิมพ์โฆษณาไม่ผิดคนขายไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้คนได้ทำบาปคือได้ดื่มสุราความจริงมันไม่บาปด้วให้ได้เสพอบายามุกสุราการเสพสุ ر ا นี้เรียวกว่าบายามุกที่อาจจะทาให้ไปทาบาปต่อได้ เดือมชราเมาแล้วขับรถกลับบ้านอาจจะไปชนคนตายได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่สนับสนุนได้ก็ดีก็เวลาใครก็ให้ทำแบบสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่เป็นสัมมาชีพเราก็อย่าไปทำการส่งเสริมสุราส่งเสริมอะไรที่เสียหายไม่ดีก็อย่าไปทำถึงแม้เราไม่ได้ทำเองก็ตามเอาสุดท้ายนะา ถ้าเราถนัดมองว่าร่างกายประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ไม่สวยมีอุจจาระอาหารเก่าอาหารใหม่น้ำเหลืองต่างๆซึ่งรู้สึกน่ารังเกียจกว่าดูกระดูกเพราะการดูกระดูกจะเฉยๆจะมองแบบดีได้ไหมคะมองอยังไงก็ได้ขอให้เราระงับการมาหลมได้ก็แล้วกันขอให้เราไม่มีความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับใคร